ย้อนหลังไปยังคิทส์กราช 1,915 สหรัฐอเมริกาอยู่ในภาวะตลึงงันทั้งนี้ก็เพราะนับเป็นเวลาปีเศษมาแล้วชาติต่างๆในทวีปยุโรปรบราฆ่าฟันกันอย่างไพศาลโดยไม่มีใครคิดฝันมาก่อนเลยว่าในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติจะมีการนองเลือดถึงขนาดนี้มีทางที่จะตกลงทำสันติภาพกันบ้างหรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่วูดโรวินซันวงเล็บเปิดประธานาธิบดีที่สรอ ในสมัยนั้นวงเล็บปิดตั้งใจแน่วแน่ว่าจะลองพยายามดูเขาดำริจะส่งผู้แทนส่วนตัวของเขาทูตสันติภาพเพื่อไปปรึกษาหารือกับขุนศึกทั้งหลายแห่งทวีปยุโรปวินเลียมเย็นนิงไบอันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไบอันผู้สนับสนุนสันติภาพอยากจะรับหน้าที่นี้เขามองเห็นโอกาสที่จะปฏิบัติหน้าที่สําคัญอันจะทําให้ชื่อของเขาโด่งดังเป็นอมตะแต่วินซันได้แต่งตั้งพันเอกเขาซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเขา ข่าวนี้ไบรอันมิได้ชื่นชมยินดีอย่างใดเลยและเหลือวิสัยที่เขาจะไม่รู้สึกขุนเคืองไบรอันไม่พอใจอย่างยิ่งเมื่อเขารู้ว่าฉันเป็นผู้ถูกเลือกให้ไปยุโรปในฐานะทูตสันติภาพพันเอกเขาบันทึกไว้ในสมุดบันทึกประจําวันของเขาเขาพูดว่าเขาวางแผนที่จะปฏิบัติงานนี้ด้วยตนเอง ฉันบอกเขาว่าท่านประธานาธิบดีเห็นว่าไม่ฉลาดเลยที่จะให้บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่นี้เป็นทางการและถ้าเขาไปเสียเองจะถูกเพ่งเล็งอย่างมากจากวงการทั่วทวไปและใครต่อใครก็จะพากันสงสัยว่าเหตุใดเขาจึงไปที่นั่นท่านพอจะมองเห็นบ้างไหมว่าถ้อยคำนี้มีความหมายอย่างไรเขาพูดเป็นที่ให้ไบรอนเข้าใจว่าไบรอนเป็นผู้มีความสำคัญเกินไปสำหรับงานนี้และไบรอนได้รับความพอใจต่อคำยกย่องดังกล่าว พันเอกเขาผู้มีสติปัญญาหลักแหลมและเจนจัดช่ำชองในวิถีของโลกได้ใช้หลักสำคัญแห่งมนุษยสัมพันธ์จงทำให้ผู้อื่นมีความสุขที่จะกระทําในสิ่งที่ท่านเสนอแน่แก่เขาเสมอวูดโรวินสันใช้นโยบายนี้เมื่อเขาเชิญวินเลียมกิฟ์แมกอาดูให้เป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งในชุดรัฐบาลของเขา นับว่าเป็นเกียรติอันสูงสุดเท่าที่วินซันจะพึงให้แก่บุคคลใดแม้กระนั้นวินซันก็ปฏิบัติในแบบซึ่งทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความรู้สึกว่าเป็นคนสำคัญสูงขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวต่อไปนี้คือคำบอกเล่าจากปากของแม็กอาดูเองเขาโมเลเปิดวินซันโมเลปิดพูดว่าเขาจะจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งเขาจะยินดีมากถ้าผมจะรับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเขาเข้าใจใช้วิธีเชื้อเชิญที่ทําให้ผู้อื่นปลื้มอกปลื้มใจเขาทําให้เกิดความรู้สึกว่าการรับหน้าที่อันมีเกียรตินี้ของผมจะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เขาอย่างหนึ่งช่างเคราะร้ายเสยนีกา ร, รายที่วินซันไม่ได้ใช้วิธีการรู้จักกาลเทศะเป็นประจำถ้าเขาคงปฏิบัติเช่นนี้เสมอต้นเสมอปลายประวัติศาสตร์อาจไม่เป็นดังที่ปรากฏมาแล้วเป็นต้นว่า วินสันไม่ได้ทําให้วุฒิสภาและพรรครีพับลิกันวงเล็บเปิดพรรคฝ่ายค้านซึ่งมีอิทธิพลวงเล็บปิดมีความสุขในการนําสหรัฐอเมริกาเข้าเป็นสมาชิกสันนิบาตชาติวินสันปฏิเสธไม่ยอมพาเอริฮูรูทหรือฮิวหรือเฮนรีแคบาร์ลอร์หรือคนสําคัญใดๆของพรรครีพับลิกันไปร่วมประชุมสันติภาพกับเขาเขากลับพาคนในพรรคของเขาวงเล็บเปิดเดโมแครตวงเล็บปิดซึ่งไม่มีชื่อเสียงอะไรกับเขา เขาไม่ใยดีต่อพรรคริพับลิกันไม่ยอมให้พรรคนี้มีส่วนรับความดีความชอบที่คิดจะตั้งสันนิบาตชาติเหมือนอย่างพรรของเขาไม่ยอมให้พรรคนี้มีส่วนร่วมมือในประการใดๆทั้งสิน้นผลจากการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยวิธีอันกระด้างกระเดืองเช่นนี้ก็คือวินสันได้ประสบความย่อยยับในวิถีชีวิตทางการเมืองสุขภาพเสื่อมโทรมอายุสัน้นเป็นเหตุให้สหรัฐอเมริกาไม่เกี่ยวข้องกับสันนิบาตชาติและเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของโลก สำนักพิมพ์ลือนามชื่อดับเบิลเดย์เพจเดินตามบทนี้อยู่ประจำจงทำให้ผู้อื่นมีความสุขที่จะกระทำในสิ่งที่ท่านเสนอแนะแก่เขาสำนักพิมพ์นี้สามารถใช้กฎดังกล่าวจนกระทั่งทำให้โอเฮนรี่กล่าวเปิดเผยว่าดับเบิลเดย์เพจปฏิเสธที่จะรับเรื่องของเขาด้วยการอ่อนโยนละมุนละไมด้วยอาการยกย่องจนกระทั่งทาให้เขารู้สึกว่า การปฏิเสธชื่อเรื่องของดับเบิลเดย์ดีกว่าสำนักพิมพ์อื่นจะรับซื้อเสียอีกเข้าไปเจ้ารู้จักชายคนหนึ่งซึ่งสามารถปฏิเสธคำเชิญให้เป็นผู้พูดในงานต่างๆคำเชิญซึ่งมาจากมิตรสหายของเขาคำเชิญซึ่งมาจากบุคคลที่เขารู้สึกในบุญคุณแม้กระนั้นเขาสามารถทําให้ผู้ที่ถูกเขาปฏิเสธได้รับความพอใจในการปฏิเสธนั้นเขาทําอย่างไรหรือท่านเขาไม่ได้กล่าวแก้ตัวว่าเขามีธุรยุ่งหรือมีเหตุติดข้องอย่างน้นอย่างนี้ เขาไม่ได้ทําเช่นนั้นเขาทําดังนี้คือหลังจากแสดงความยินดีที่ได้รับเชิญและแสดงความเสียใจที่เขาไม่มีความสามารถพอในการปฏิบัติตามคําเชิญนั้นเขาจะเสนอชื่อผู้อื่นให้พูดแทนเขาหรืออีกในหนึ่งก็คือเขาไม่ได้ทําให้ผู้เชิญเกิดความรู้สึกเสียใจต่อคําปฏิเสธของเขาเลยแม้แต่ขณะเดียวเขาทําให้ผู้เชิญคิดถึงอีกคนหนึ่งเพื่อเชิญมาเป็นผู้พูดในทันทีทันใดทําไมคุณจึงไม่เอาเพื่อนของผมคลิปแอนด์รอสเยอร์ บรรณาธิการบ r ุกลินอ e เก l e มาเป็นผู้พูดให้คุณเขาเสนอเช่นนี้หรือคุณไม่คิดถึงว่าลองให้ไกฮิกก็อกพูดดูบ้างหรือเขาอยู่ในกรุงปารีสสิบห้าปีซึ่งเขามีเรื่องแปลกๆอยู่เยอะแยะเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้พบเห็นในฐานะนักสื่อข่าวประจำทวีปยุโรปหรือทำไมไม่เชิญลิฟฟิ้งสแตนลองเฟโรเขามีภาพยนตร์ดีวิเศษเรื่องการล่าสัตว์ใหญ่ในประเทศอินเดียเยเอวอนประธานของบริษัทเยเอวอน บริษัทการพิมพ์หนังสือตามแบบของฮูเวนและพิมพ์ภาพแบบออฟเซตใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในนิวยอร์กได้เผชิญกับความจำเป็นที่จะเปลี่ยนท่าทีและคําร้องทุกข์ของช่างเครื่องคนหนึ่งโดยไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกขุ่นเคืองงานของช่างเครื่องผู้นี้ก็คือดูแลแก้ไขพิมพ์ดีดหลายสิบเครื่องและเครื่องจากขนาดใหญ่อีกหลายเครื่องให้ปฏิบัติงานอยู่ได้เป็นปกติทั้งกลางวันและกลางคืน เขามักจะร้องทุกเสมอว่าเวลาทํางานนานเกินไปมีงานมากจนเหลือมือและเขาต้องการผู้ช่วยสักคนหนึ่งเอเยวอนมีได้ให้ผู้ช่วยแก่เขามีได้ให้เขาทํางานน้อยชั่วโมงลงหรือให้เขาทํางานลดลงแม้กระนั้นเขายังทําให้ช่างเครื่องผู้นี้มีความสุขทําอย่างไรหรือเขาให้ห้องทํางานส่วนตัวแก่ช่างเครื่องห้องหนึ่งมีชื่อของช่างเครื่องเขียนไว้ที่ประตูกระจกพร้อมด้วยตําแหน่งกํากับชื่อดังนี้ผู้จัดการแผนกบริการ เป็นอันว่าเขามิได้เป็นคนซ่อมแซมชนิดใดที่ใครๆก็ออกคำสั่งให้เขาทำโน่นนี่อีกต่อไปเดี๋ยวนี้เขาเป็นผู้จัดกา ร, รแผนกหนึ่งแล้วเขาได้รับความภูมิใจได้รับการยกย่องนับถือและได้รับความรู้สึกเป็นคนสำคัญจากนั้นเป็นต้นมาเขาทำงานด้วยความสุขและไม่มีการร้องทุกข์อีกเลยดูเป็นเด็กเล่นหรือท่านอาจเป็นได้แต่คำพูดนี้มีผู้กล่าวกับนบโปเลียนเมื่อพระองค์สร้างอิซิเรียพรลียันออฟออเนอร์ แจกเครื่องหมายกางเขียนนี้แก่ทหารของพระองค์ 1,500 คนแต่งตั้งนายพล18คนเป็นจอมพลแห่งประเทศฝรั่งเศสและตั้งชื่อกองทหารของพระองค์ว่ากองทัพอันยิ่งใหญ่นาโปเลียนถูกวิพากในการให้ของเด็กเล่นแก่ทหารซึ่งเผชิญกับสงครามอย่างเก่งกาจท้าวหารนาโปเลียนกล่าวตอบมนุษย์เราถูกปกครองด้วยของเด็กเล่น เทคนิคแห่งการใช้ตำแหน่งและใช้อำนาจได้ปรากฏผลดีแก่นักปูเรียนมาแล้วอย่างไรจะปรากฏผลดีแก่ท่านอย่างเดียวกันเป็นต้นว่าเพื่อนของข้าพเจ้าคนหนึ่งนางเย็นแห่งสคาร์สเดลนิวยอร์กผู้ข้าพเจ้าเคยกล่าวถึงมาแล้วในหนังสือเล่มนี้ได้รับความเดือดร้อนจากเด็กจำนวนหนึ่งชอบวิ่งผ่านสนามของหลอนจนทําให้หญ้าตายหลอนลองใช้คําพูดดุว่าหลอนลองใช้คําพูดปลอบโยนไม่ได้ผลทั้งสองอย่าง ้แลวหล่อนจึงลองใช้วิธีอย่างหนึ่งแก่เด็กที่ร้ายกาจที่สุดคนหนึ่งในกลุ่มนั้นด้วยการให้ตำแหน่งแก่เขาและทําให้เขาเกิดความรู้สึกเป็นผู้มีอํานาจหล่อนตั้งให้เขาเป็นนักสืบและสั่งให้เขาคอยสอดส่องจัดการกับเด็กที่ละเมิดสิทธสนามหญ้าของหล่อนการกระทํานี้แก้ปัญหาของหล่อนได้นักสืบของหล่อนผู้นี้ก่อไฟทางตอนในของสนามหญ้าเอาเหล็กท่อนหนึ่งมาเผาเีษแดงแล้วขู่เด็กอื่ น, นว่าถ้าเด็กคนใดก้าตีนลงบนสนามหญ้า เขาจะเอาเหล็กแดงนี้นาบธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้เองดังนั้นถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นโดยไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกขุนเคืองหรือไม่ให้มีความรู้สึกบาดหมางกฎที่9ก้มีดังนี้จงทำให้ผู้อื่นมีความสุขที่จะกระทำในสิ่งที่ท่านเสนอแนแก่เขา